268ผู้พ้นทุกขา์อารรยสัตว์คือผู้มีอำนาจกำจัดมารด้วยเหตุนี้อำนาจดังกล่าวมานั้นจึงเป็นอำนาจที่แม้แต่มารหรือซาตานก็ไม่มีอำนาจจะแฝงเข้ามาทำทุกข์หรือไม่มีอำนาจจะแฝงเข้ามาบงการ ให้เราทำชั่วทำบาปได้อีกเลยเด็ดขาดเที่ยงแท้นิจังยั่งยืนทุวางตลอดไป ส, ะสะตงังไม่แปลเปลี่ยนเป็นอื่นอวิปริณามธรรมังไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรังไม่กลับกําเริบอสังกุ ป, ปัง คนทุกคนไม่มีใครปรารถนาจะมีทุกข์หรืออยากทำชั่วทำบาปสักน้อยสักนิดเม้เท่าทุรีละอองใช่ไหมแต่คนก็ยังหลงติดยึดความเป็นสุขที่จะต้องได้ที่จะต้องมีลาบยศสันเสริญกามคุณห้าอัตตาสาอยู่เพราะอาวิชชา นี่แหละที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าโลกธรรมและโลการรมทั้งหลายนั้นเป็นสุขคริกะคือสุขมันไม่ใช่ความจริงเลยมันเท็จอริกะแปลว่าเท็จแต่ก็ยากจริงๆที่คนปุถุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าสุขมันเป็นเท็จอย่างไร และอัตตาก็ยังหลงเป็นสุขาริกะกันอยู่อีกแหละก็เป็นอัตตะทัตตะสุขจนได้เพราะอาวิชชาความโง่ของคนนั่นเองทั้งๆ ท, ที่ตามอาริยสัจมันเป็นความลาบากคือกินละมะะัะมันไม่เหมือนกามก็ตรงที่มันไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นเสพสุข มันเสพในตนเองเท่านั้นแต่มันก็เป็นสุขเท็จที่อุปาทานของตนยึดอยู่ทั้งนั้นมันฝังใส่อานุใสยทั้งสิ้นกามกับอัตตาจึงคือมานทั้งกามทั้งอัตตาจึงไม่ใช่สิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นเลย